วันนี้ก็เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหยุดวางภารกิจทางร่างกายแล้วหันมาทำภารกิจทางจิตใจเพราะเรามีสองส่วนเรามีร่างกายแล้วก็มีจิตใจ ร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสีพอเพียงร่างกายก็อยู่อย่างสุขสบายถ้าขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเราอะไรต้อง ดูแลร่างกายแต่ใจนี้เราไม่ค่อยรู้จักกันเราไม่รู้ว่าใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการปัจจัยสี่มาดูแลเช่นเดียวกันเพียงแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกาย ปัจจัยสี่ของใจที่เราต้องหามาให้กับใจถ้าเราอยากให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายเราก็ต้องมีอาหารให้กับใจเหมือนกันมีเครื่องนุ่งห่มให้กับใจมีที่อยู่อาศัยให้กับใจมียารักษาโรคให้กับใจ พอใจก็เป็นเหมือนร่างกายต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันเพียงแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายกับปัจจัยสี่ของใจมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันจานอาหารของร่างกายก็คือของข้าวของหวานกับข้าวกับปลาที่เรารับประทานกันทุกวันวันละสามมือ้อร่างกายจึงอิ่มจึงสบาย ใจของเราจะอิ่มจะสบายก็ต้องมีอาหารอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานเวลาเราทำบุญทำทานเวลาที่เราเบริจาคทรัพย์ข้าวของเงินทองสิ่งของให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เรือให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ด้วยตนเองเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่มีอาชีพท ร, รมาหากินเหมือนพวกเราท่านก็เลยอาศัยการบินตบาตอาศัยการทำบุญให้ทานการใส่บาตรของญาติโยมเป็นวิธีหาอาหารลเลี้ยงร่างกายของท่าน ที่ญาติโยมเลี้ยงร่างกายของพระสอ์องค์เจ้าญาติโยมก็ได้เลี้ยงจิตใจของญาติโยมได้ให้อาหารแก่จิตใจของญาติโยมเพราะเป็นการทําบุญทําทานทานคือการให้สิ่งของต่างๆให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการให้ของเราเราก็จะ ได้ประโยชน์กลับมาในทางจิตใจจิตใจเราจะรู้สึกอิ่มรู้สึกมีความสุขมีมีความสบายไม่หิวกับการที่จะไปไปใช้เงินไปซื้อของอย่างอื่นคนที่ไม่ทมําบุญนี้จะหิวจะอยากจะใช้เงินไปซื้อของอย่างอื่นซื้อของที่ไม่จําเป็นเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ไปเสื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเสื้อภาพมาดูไปเสื้อเสียงมาฟังไปไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคนที่มีความอยากแสดงว่าใจไม่มีอาหารใจหิวใจหิวอาหารก็เลยไปอาหารไปหาอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายแทน ซึ่งไม่ใช่เป็นอาหารของใจหามาได้เท่าไหร่ก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมไปเที่ยวมากี่ครั้งก็ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่เหมือนเดิมไปซื้อกระเป๋ามากี่ใบก็ยังอยากจะซื้ออยู่เหมือนเดิมไปซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้อรถยนต์ซื้ออะไรซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีกไม่ได้ทำให้ใจอิ่มใจพอเพราะของเหล่านี้ มันไม่ได้เป็นอาหารของใจแต่มันเป็นอะเป็นยาเสพติดของใจเป็นเหมือนบุหรี่เหมือนสุราเหมือนยาเสพติดพอซื้อมาดื่มซื้อมาสูบแล้วก็ติดต้องซื้อมาเรื่อยๆซื้อบุหรี่มาแล้วพอหมดซองก็ต้องซื้อซองใหม่ซื้อสุราพอหมดขวดแล้วก็ต้องซื้อขวดใหม่มา ซื้อกาแฟมาดื่มเดี๋ยวพอกาแฟหมดก็ต้องซื้อมาใหม่ของพวกนี้ไม่ได้เป็นอาหารเป็ น, เ ป, นเป็นยาเสกติดของใจถ้าอยากจะให้ใจอิ่มเนี่ยก็ต้องซื้อของแล้วก็เอาไปให้คนอื่นซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปให้เพื่อนเพื่อนมีวันเกิดซื้อกระเป๋าไปให้เพื่อนซื้อรองเท้าไปให้เพื่อน ซื้อตั๋วทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศให้เพื่อนตอนนี้แล้วเราจะอิ่มใจสุขใจเพราะเราเราไม่ต้องไปเราอยู่บ้านเฉยๆได้ให้เขาไปแทนแต่เรากลับมีความอิ่มใจกว่าแต่ซื้ออย่างนี้ให้ท้าก็ไม่ดีเดี๋ยวทําให้เขาเสียอีกเขาก็ติดอีกต้องซื้อของที่จําเป็นดีกว่าของที่เขาขาดแคลนเช่นปัจจัยสี่ ถ้าเขาขาดแค่นอาหารเสื้ออาหารให้เขากินร่างกายเขาก็จะได้อิ่มใจเขาก็จะได้มีความสุขจากความอิ่มของอาหารของร่างกายแต่ตัวเขาเองถ้าอยากจะให้อาหารกับใจเขาก็ต้องทำบุญเหมือนกันถ้าเขาไม่ทำบุญใจเขาก็ยังจะไม่อิ่มใจเขาก็ยังจะหิวยังอยากจะรอรับของขวัญจากเราพอเราให้ของขวัญเขาไปแล้วเขาก็ติด อยากจะได้อีกถ้าไม่ได้บางทีก็มาเตือนมาถามถ้าเขาอยากจะให้ใจเขาอิ่มใจเขาก็ต้องไปทำบุญเหมือนกันาการทำบุญแล้วจะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้เราไม่หิวทำให้เราไม่มีความอยากที่จะไปะไปดูไปฟังอะไรไปนิมล ด, ด์นมกลิ่นอะไรไปดื่มอะไรไปรับประทานอะไร นี่คืออาหารของใจคือการทาทานทานแปลว่าการให้ให้สิ่งที่เรามีต่อผู้ที่ไม่มีถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องกังวลคนบางคนไม่มีแต่ยังอยากจะทำทานอยู่ก็ต้องไปหาไปหาเงินหาทองไปทำเพื่อที่จะได้เงินทองมามาทำทานอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่า ถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่มีความหิวที่จะไปซื้อของต่างๆอยู่ดีก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทาบุญทาทานเพราะการทาบุญทาทานเพื่อกำจัดความอยากที่จะซื้อของที่ไม่จาเป็นต่าง ๆ, ๆถ้าเราไม่มีเงินก็มันก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีเห็นถ้าเราไม่มีเงินเราก็อย่าไปไม่ต้องกังวลกับเรื่องทำบุญทำทานทำเหมือนกับพระ พระก็ไม่มีเงินไม่มีทองพระก็เลยไม่ได้ไปทำบุญทาทานแต่พระก็ไปทำอย่างอื่นต่อถ้าไม่มีเงินเราก็มาทำอย่างอื่นสิ่งที่เราต้องทาอย่างที่สองก็คือศีลศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อผ้าอภรรท์ที่เราสวมใส่เราสวยงามเพราะเสื้อผ้าที่เราซื้อมาใส่กันชุดต่าง จะทําให้เรานี้เปลี่ยนเป็นคนคนละคนเลยใส่เสื้อผ้าสวยๆกับใส่เสื้อผ้าไม่สวยนี่จะรู้สึกว่าเป็นคนละคนเลยเป็นคนสวยกับคนไม่สวยเราจึงต้องซื้อเสื้อผ้ากันเพื่อเสริมความสวยงามของร่างกายแต่ความสวยงามของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นความสวยงามจริงเป็นความเป็นสวยงามปลอมพอไม่ได้ใส่ชุดสวยๆก็ไม่สวยแล้ว แต่ใจของเราก็ต้องการความสวยงามเหมือนกันเสื้อผ้า พ, พอที่ทํทำให้ใจเราสวยงามก็คือศีลการไม่ทำบาปถ้าเรามีศีลแล้วเราก็จะเป็นคนน่ารักเวลาที่เราจะจ้างคนมาทำงานที่บ้านเรานี้เราจะเลือกคนที่มีศีเลเรื่อกคนที่ได้่มีศีล คนที่ไม่มีศีลคนที่จะมาคอยขโมยของเราคนที่เผลออาจจะฆ่าเราคนที่มาแย่งแฟนของเราจ้างคนใช้มาแล้วก็มาเป็นแฟนของแฟนเรา่านี้เราจะจ้างเขามาไหอแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลเขาก็จะไม่ทำเขาจะไม่ลักทรัพย์เขาจะไม่ฆ่าเขาจะไม่ประพฤติผิดตัวเวณีแจะไม่พูดโกหกหลอกลวง จะไม่เดื่มสุรายาเมาก็เลยกลายเป็นคนน่ารักน่ายินดีขึ้นมาเวลาที่เราจะอยู่กับใครเลือกใครเราควรจะเลือกที่ศีลมันก่อนมโยมถามว่าถ้าจะหาเนื้อคู่นี่ให้ดูอะไรก็อย่าไปดูเงินทองอย่าไปดูหน้าตาให้ดูว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลถ้าเขามีศีล เขาก็จะเป็นคนสวยงามถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่สวยงามถึงแม้ว่าจะไม่ร่มรวยแต่เขาจะไม่มาทำให้เราทุกข์ใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราแต่งกับคนที่รวยแต่งคนที่หน้าตาสวยงามแต่ไม่มีศีลเราจะน้าตาตกในเพราะว่าเขาจะหลอกเราโกหกเรา ไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวกับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเพื่อไปทำธุระที่นั่นที่นี่ mm hmm. โกหกหลอกวงเราไปเรื่อยๆ mm hmm. อนี่คือ mm hmm. เสื้อผ้าอภรรตของใจที่เราควรที่จะมา mm hmm. หากันถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่น่ารัก mm hmm. เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดี คนที่มีศีลนี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครรับรองได้ว่าไม่มีใครรังเกียจแต่คนที่ไม่มีศีลนีจะมีแต่คนรังเกียจถึงแม้ว่าจะหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีศีลนี่ไม่มีคนก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังั้นถ้าเราอยากจะเป็น เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีคนชอบคนคนดูแลคนคนติดตามเราก็ต้องมีศีลมีศาสตร์กันรักษาศีลรักษาศษาสตร์กันเช่นวันนี้เป็นวันพระเอุปจ้า ก, ก็สอนให้เราลองมารักษาศีลกันบ้างถ้าไม่เคยรักษาเลยคือทำแต่ตามใจคือ รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ถ้าอยากจะพูดปดก็พูดปดถ้าอยากจะขโมยก็ขโมยอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้รักษาถ้ารักษาเช่นวันนี้เราจะต้องตั้งใจสมาทานศีลว่าวันนี้จะขอรักษาศีลห้าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ตบยุงจะไม่ฆ่ามดมากแรงฆ่ า, มาแมลงต่างๆหรือสัตว์เลืกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ จะไม่ลักทรัพย์จะไม่เอาของของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขาจะไม่ไปประพฤติผิดประเวณีถ้าจ ะ, ะมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีกับสามีภรรยาของตนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นแล้วก็จะพูดความจริงะจะไม่พูดปลด ถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็จะไม่พูดอะไรหุบ ป, ปากเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรถ้าพูดไปแล้วเป็นคำพูดปลดก็อย่าพูดแล้วก็จะไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะสุรายาเมาจะทำให้เราไม่มีสติประครับประคองใจนั่นเองคนที่ไม่มีสติมักจะห้ามใจไม่ให้ไปทำบาปไม่ได้ พอคิดอยากจะทําบาป ก, ก็จะทําำเลยแต่ถ้ามีสติก็จะมีการยับยั้งช่างตวงัวมีการคิดไว้ก่อนไอ้วันนี้เราถือศีลหรือเปล่าอ่อวันนี้เราถือศีลเราโกหกไม่ได้เราประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ เ, เราเราลักทรัพย์ไม่ได้โกไม่ได้ เ, เราฆ่าสัตว์ไม่ได้ถ้าเราทําได้ รักษาศินได้เราก็จะมีความสุขอริสส์ของศีลนี่มีหลายอย่างในท้าศีลที่เวลาเราสมาทานศีลท่านจะบอกว่าสี่เลยนะสุกติญญาติผู้ที่มีศีลจะไปสู่สุขติคือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่มีศีลจะไม่ไปอบายจะไปเกิดในสุขติ จะไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปตกนรกจะไปสุขติแะ้ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญก็ไปเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลด้วยทำบุญด้วยก็ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือความสวยงามของจิตใจทำให้ได้ไปเป็นเทพ เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่หน้าตาสวยงามลูล่างไม่อัปลักษณ์ไม่พิกลพิการครบมีอาการส2ครบบริบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมียดเมียนมีอายุยืนยาวนานนี่คืออนิสง์ของการมีมีสีมีความสวยงามทางจิตใจ นอกจากจิตใจต้องการอาหารคือการทําทานแล้วจิตใจก็ยังต้องการศีลเพื่อความสวยงามเป็นเสื้อผ้าอภรรยใจก็ยังต้องการที่อยู่อาศัยเหมือนกับร่างกายที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรก็คือความสงบนั่นเองเวลาใจสงบแล้วใจก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเหมือนกับ ร่างกายเวลาที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะถูกฝนฟ้าอากาศทำให้เกิดความทุกข์ควาไม่สบายได้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเวลาฝนตกก็ต้องนอนตามใต้สะพานนอนตามสาราที่จอดรถที่สาราสําหรับที่สาลาผู้โดยสารรถเมย์รถโดยสาร ก็จะไม่ปลอดภัยร่างกายจะไม่ปลอดภัยมีทุกข์มีภัยรอบด้านใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่ได้เข้าไปในความสงบใจก็จะมีความทุกข์มารุมแล้วมีความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆพอเกิดความอยากความโลภใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะไม่สบายใจขึ้นมา แสดงว่าใจไม่ได้อยู่ในบ้านใจออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้านเดี๋ยวก็เจอฝนเจอลมเจอเหตุการณ์ต่างๆอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆแต่ถ้ากลับไปอยู่ในบ้านก็จะปลอดภัยฝนมาพายุมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีที่หลบภัยที่หลบภัยของใจก็เช่นเดียวกันคือการทำใจให้สงบ ที่เราเรียกว่านั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราจะสงบจะมีความสุขจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับสิ่งต่างๆไปกับบุคคลต่างๆใครจะทำอะไรดีหรือชั่วใครจะพูดอะไรดีหรือไม่ดีจะไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่รับรู้เราไม่สนใจเราอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ใน สมาธิอยู่ในความสงบอันนี้เป็นที่หลบภัยวันๆนหนึ่งเราต้องออกไปรับนู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางต า, งต า, งตางหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆดีใจบ้างเสียใจบ้างส่วนใหญ่จะเสียใจมากกว่าดีใจส่วนใหญ่จะวุ่นวายใจเศร้าโศกเสียใจ ลำคาญใจหงุดหงิดใจเบื่อหน่ายท้อแท้อันนี้เกิดจากการที่เราไม่รู้จักหลบเข้าบ้านไม่มีบ้านให้หลบไม่มีบ้านให้เราอาศัยเวลาที่มีภัยมากระทบทางจิตใจแต่ถ้าเรามีบ้านเวลาจิตใจเราวุ่นวายเราก็หลบเข้าไปในบ้านได้ หนึงใจเข้าไปด้วยการใช้สติหนึ่งใช้พุโทโธหนึ่งพุโทโธนี่เป็นการเ ป, เป็นการสร้างสติเป็นตัวแทนของสติถ้าเราไม่มีสติหนึงใจเราก็ต้องใช้พุโทโธท่องพุโทโธพุทโธไปเช่นกําลังโกรธใครนี่ก็พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธพุทโธไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธไม่ไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเราก็ลืม พอเราลืมความโกรธนั่นก็หายไปเช่นตอนนี้เราไม่โกรธใครใช่ไหมเพราะว่าเราลืมแต่ตอนที่เราโกรธนี่เราไม่ลืมแต่เราสามารถทาให้เราหยุดได้ด้วยการอยากไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้คิดถึงเรื่องอื่นแทนให้คิดให้คิดถึงพุทโธพุทโธแทนเวลาโลภก็เช่นเดียวกันเวลาอยากจะซื้อของอะไรที่ไม่จาเป็นจะต้องซื้อก็ใช้พุทโธพุทโธ อย่าไปคิดถึงของนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งอยากยิ่งอยากก็ยิ่งร้อนเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ต้องกระเป๋ามันร้อนแล้เดี๋ยวถ้าไม่เอาเงินออกมาใช้เดี๋ยวไฟไหมไฟไหมเงินหมดก็ต้องฟักเงินออกไปซื้อของมันไม่ได้หมดเพราะไฟมันหมดเพราะซื้อแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงของที่เราอยากซื้อพุทโธพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่อยาซื้อของนั่นการที่เราจะมีบ้านมีความสงบได้เราต้องมีสติเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสตินี้เป็นเหมือนเชือกที่เราจะดึงใจของเราให้กลับมาเข้าบ้านใจเราเป็นเหมือนลิงลิงมันชอบออกเที่ยวมันไม่ชอบอยู่บ้านอชอบออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวแล้วก็ไปถูกเขากัดถูกเขาตีกลับมาบ้าน ถูกความโลภถูกความอยากตกปีกลับม า, าก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเวลาเจอความโลภเจอความโกรธเจอความอยากก็ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธดึงใจกลับเข้าที่สงบพอใจสงบแล้วก็จะหายวุ่นวายความสบายใจก็จะกลับมาถ้าเรานั่งได้ก็ยิ่งจะสงบใหญ่ถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาได้ พุโทโธพุโทโธได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าได้ความสงบเต็มที่นี้จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้อยากการไปทาตามความอยากต่างๆอยากการไปซื้อข้าวซื้อของจากการไปเที่ยวอยากการไปทาบุญทาทานทาบุญทาทานถึงแม้จะเป็นความสุขใจก็สู้ความสุขใจที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทำทานก็มานั่งทําสมาธิแทนไม่ต้องไปทํางานหาเงินมาเพื่อจะได้เอามาทําบุญอย่างพระนี่ไม่ไปหาเงินมาทําบุญเพื่อจะเอามาทําทานพระก็เอาเวลามานั่งสมาธิแทนเมื่อทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มเหมือนกับได้ทําบุญล้านเท่าทําบุญหนึ่งครั้งซื้อ ทำบุญล้านครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มันมีเป็นล้านเท่าของบุญที่เราความสุขที่เราจะได้รับจากการทําบุญทําทานดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินที่จะทําบุญทําทานเราก็มานั่งสมาธิกันแทนแล้วเราก็จะมีความสุขใจของเราก็จะปลอดภัย ปลอดภัยจากเรื่องวุ่นวายใจต่างๆใครจะเป็นอะไรใครจะดีใครจะชั่วใครจะว่าใครจะชมเราเราจะรู้สึกเฉยๆจะไม่เดือดร้อนจะไม่มีปัญหาอันนี้เรียกว่าสร้างบ้านสร้างที่อาศัยให้กับใจไม่หลบภยัยแล้วยารักษาโลกถ้าเราถ้าเรามี เราก็จะสามารถรักษาโรคใจโรคของใจคืออะไรก็คือความเครียดความทุกข์ต่างๆความเครียดความทุกข์ต่างๆของใจเราก็เกิดจากกิเลสกิเลสเป็นเหมือนเชื้อโรคร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคเชื้อเอสนีใครติดเชื้อเอแล้วก็จะร่างกายก็จะไม่สบายใครติดเชื้อเชื้อม า, าล a รีย ก็จะเป็นไข้ติดเชื้อหวัดก็ต้องเป็นหวัดช่วงนี้มีโรคระบาดไข้หวัดใหญ่เพราะติดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายร่างกายเลยเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราก็มีเชื้อโรคที่ทําให้ใจเราไม่สบายเหมือนกันเชื้อโรคที่ทําให้ใจเราไม่สบายก็คือความอยากต่างๆกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหา พอเกิดแล้วขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาที่เราไม่สบายใจเพราะเราอยากอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยากไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้แล้วไม่ชอบก็อยากไม่ได้ออย่างนี้ก็ก็ไม่สบายใจหรือถ้าไม่มีเราอยากได้สิ่งที่ไม่มีพอไม่ได้ก็ไม่สบายใจหรืออยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจเช่นอยากให้ลูกเราเรียนเก่งๆตั้งใจเรียนหนังสือไม่ไม่เที่ยวไม่เล่นแต่ลูกเราไม่กลับไม่ชอบเรียนหนังสือชอบเที่ยวชอบเล่นเราก็ไม่สบายใจนะแต่ถ้าเราบอกช่างหัวมันชีวิตของมันห้ามมันแล้วสอนมันแล้วมันไม่ทําตามจะทํำยังไงทุกไปมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอะไรอถ้าปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเราห้ามแล้วเราสอนแล้วอนแต่มันหนีโรงเรียนเราจะไปคอยคอยเฝ้ามันได้อย่างไรส่งไ ป, ไปเรียนหนังสือไม่ก็หนีโรงเรียนมันไม่เข้าห้องเรียนนี้แล้วเราก็มาเครียดมาทุกข์กับมันแต่ถ้าเราใช้ปัญญายารักษาโรคใจ ปัญญาจะสอนแล้วว่าลูกเหล่านี้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราบอกได้สอนได้มันจะเชื่อฟังหรือไม่นี้เราไปสั่งมันไม่ได้มันจะเชื่อก็เรื่องของมันมันจะไม่เชื่อก็เรื่องของมันถ้ามันเชื่อก็แล้วก็ดีไปถ้ามันไม่เชื่อแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราอยากให้มันเชื่อเราก็จะทุกข์เพราะมันไม่เชื่อ แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับตามความสภาพความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้จะให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเขาไม่ชอบเรียนหนังสือจะไม่อยากให้เขาชอบเรียนหนังสือได้อย่างไรเขาชอบเล่นเราไม่เราเราเราอยากให้เขาไม่ชอบเล่นเราจะไปทําให้เขาไม่ชอบเล่นได้อย่างไรเราก็จะทุกข์ไปตปล่า เหมือนกับการที่เราอยากให้ผลไม้ให้กล้วยมากลายเป็นส้มอย่างนี้เรามันจะกลายเป็นส้มไหอยากให้กล้วยกลายเป็นส้มมันจะกลายเป็นส้มได้หรือเปล่าอยากให้คนที่ไม่ชอบเรียนมาชอบเรียนได้หรอป่อยากให้ชอบอยากให้คนที่ชอบเที่ยวมาไม่ชอบเที่ยวได้หรือเปล่าเราต้องมองความจริงมองด้วยปัญญาถ้าเรามีมาตรการที่สามารถ ทำได้ก็ทำไปเช่นถ้าถ้าผลไมามาันเปรี้ยวอย่างนี้เราก็ามาดองเลมันจะได้หายเปรี้ยวถ้าคนไม่ดีบางทีเรามาทำมันดีได้ก็มาทาเลยจับมาขังไว้ในบ้านอย่าให้ปล่อยให้มันออกไปไหนหรืออย่าให้เงินมันใช้ถ้ามันไม่มีเงินมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ ถ้ามันจะเที่ยวมันจะเอาเงินก็ได้มันทําอะไรก็แลกเปลี่ยนกันะจะให้เรียนหนังสือให้ทําการบ้านก่อนให้ดูหนังสือก่อนดูทําการบ้านดูหนังสือเสร็จแล้วอ่ะจะไปเที่ยวออกไปเอาเงินไปไปเล่นเกมไปอะจะไปแต่มีเวลาเวลาถ้าผิดกติกาข่าวหน้าก็ไม่ให้ไม่ให้เงินแล้วก็ต้องมีมาตรการที่เราจะสามารถที่จะมาปรับปรุงเขาได้บ้างในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปทำใจปล่อยวางเป็นอุเบกขาไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าเรามีปัญญามองความจริงได้มองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้เราก็ต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากเราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าใจเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราจะทำเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพไปเช่นน้ำฝนฝนตกเราไม่อยากให้น้ำท่วมเราทำได้อย่างมากก็ทําอะไรกั้นไม่ให้น้ำมันเข้าบ้านเราแต่ถ้าน้ำมันสูงกว่าระดับที่เรากั้นไว้มันก็เข้าอยู่ดีมันเข้าแล้วเราจะไปทำอะไรเราไปร้องห่มร้องไห้ไปโวยวายไปว่าก่อธมอว่าไม่ไม่ไม่ระบายนะ้ำไม่อะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร วพาะน้มันก็ท่วมบานเราถ้าเรายอมรับว่าเป็นกรรมของเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีดีบ้างมีชั่วบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปอยากอะไรมากอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เราหนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาสลับกันไปสลับกันมาโลกนี้มีทั้งเกิดมีทั้งดับมีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อม มีขึ้นมีลงมีมามีไปเราจะให้ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ให้เจริญอย่างเดียวไม่ได้ให้มาอย่างเดียวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีมามีไปมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงเราไปควบคุมบังคับห้ามเขาไม่ได้แต่เราควบคุมบังคับใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้ถ้าเราทำใจเฉยเฉยทใจเป็นอุเบกขาอย่าไปมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ รับรองได้ว่าใจเราจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทุกข์ไม่เครียดกับบุคคลต่างๆเราจะอยู่อย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ยังอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะทรัพย์สมบัติก็ต่างๆนี้ไม่สามารถให้ความสุขใจกับเราได้มีแต่ปัญญานี่เท่านั้นกับสมาธิเท่านั้นกับศีลกับทาา ที่เราทำนี่แหละที่จะให้ความสุขกับใจของเราได้ในแต่ระดับต่างกันไปทานก็ให้ความสุขระดับต่างสูงขึ้นมาก็ศีลสูงกว่าศีลก็สมาธิสูงกว่าสมาธิก็คือปัญญาปัญญานี่จะให้ความสุขได้อย่างถาวรเพราะปัญญาจะกาจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจให้หมดไป พอเหตุที่ทําให้ใจเราทุกหมดไปใจเราก็จะไม่มีความทุกจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องปัจจัยสีของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาหากันมาสร้างกันมามีกันเหมือนกับมีปัจจัยสีของทางร่างกายตอนนี้เรามีปัจจัยสีทางร่างกายมากเกินไปแล้ว กินไปอีกสิบชาติก็ไม่หมดสู้เอาเอาไอ้ปัจจัยที่เรามีเกินมาเป็นาเปลี่ยนเป็นปัจจัยสี่ของใจคือเอาเงินทองที่เรากินสิบชาตินี้ไม่หมดเนี่ยเอาเอาเอาเงินทองที่จะไปกินอีกเก้าชาตินี้มาทาบุญเอาเหลือไว้สำหรับกินชาตินี้ชาติเดียวก็พอใช้ชาตินี้ชาติเดียวก็พอมีเงินทองซื้อปัจจัยสี่สำหรับชาตินี้ชาติเดียวก็พอ ส่วนที่เหลือก็เอามาทําเป็นปัจจัยสี่ของใจมาทาบุญให้ทานมารักษาสีมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วเราจะได้ปัจจัยสี่ของใจที่จะกินไปไม่มีวันหมดเป็นแสนล้านชาติเลยเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันตายเหมือนร่างกายปัจจัยสี่ที่เราหาให้ได้กับใจมันก็จะใช้ไปได้เรื่อยๆไปกับใจไปตลอด อย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาลวลกนี้ถ้ามีปัจจัยสี่ที่จะใช้ไปได้ตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดจิตใจของท่านไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไม่มีวันจบปัจจัยสี่ที่ท่านหาให้กับใจคือศีลทานศีลสมาธิปัญญามันก็จะอยู่กับใจเลี้ยงดูใจไปตลอดให้ใจมีแต่ปรมังสุขขังไปตลอดมีบัลมัสุขไปตลอด แต่ใจของพวกเราตอนนี้ยังเป็นบรมมทุกขอยู่เพราะใจเรายังขาดปัจจัยสี่ยังขาดการทําบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญามีบ้างแต่ไม่มากพอยังไม่ยังไม่มากพอยังทําไม่ได้เต็มร้อยต้องพยายามพัฒนาจากระดับที่เราทําอยู่ขึ้นไปให้มันเต็มร้อยทาทานให้เต็มร้อยเต็มร้อยก็ทําให้หมดเลย แล้วก็ไปบวชเราจะได้รักษาศีลได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยนั่งสมาธิได้เต็มร้อยเจริญปัญญาได้เต็มร้อยเพราะนักบวชเท่านั้นที่จะมีเวลามารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาตอนนี้เราก็เป็นนักบวชชั่วคราวทุกๆวันพระ ก, ก็มาเป็นนักบวชกันเมอทำํำบุญทำทานกันมารักษาศีลกัน มาฝึกนั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันแล้วพอเราทำํำแต่ละทําไปเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะเพิ่มจากอาทิตย์ละวันก็จะเพิ่มเป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทําทุกวันว่ามันทําแล้วมันยิ่งดียิ่งมีความสุข ปัจจัยสีของจิตใจนี้ให้ความสุขกับจิตใจมากกว่าปัจจัยสี่ของร่างกายให้ความสุขกับร่างกายปัจจัยสีของร่างกายนี่มันมีมีขอบเขตมีถ้ามีครบแล้วต่อให้มีมากมีน้อยมันก็มีความสุขเท่ากันปัจจัยสีระดับระดับแสนกับปัจจัยสีระดับน้านมันก็ให้ผลเท่ากันคือให้ร่างกายมีความสุขเหมือนกัน กินอาหารมือละห้าร้อยกับมือละห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันใส่เสื้อผ้าชุดละห้าพันกับชุดละห้าหมื่นมันก็สวยเหมือนกันมันก็ปกปิดร่างกายทำหน้าที่ดูแลร่างกายได้เท่ากันเซื้อบ้านระดับห้าล้านกับห้าสิบล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันรักษาโรคสามสิบบาทรักษาทุกโกรคแล้วไปรักษาคืนละสาหมื่น มันก็รักษาโลกเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องการหาปัจจัยสี่ทางร่างกายเกินความจำเป็นจะเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลามาหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจมาทำบุญทำทานมารักษาศีลนะถ้าเราเห็นว่าการหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายนี้มันมากเกินไปเราก็จะได้มีเวลาหยุด เราจะได้มีเวลามาหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจตอนนี้อาจจะมีแค่เพียงแต่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระต่อไปเราก็เพิ่มเพิ่มเป็นสองวันสามวันทํางานให้น้อยลงหาเงินให้น้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ากินข้าวมื้อละห้าร้อยกับมื้อละห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันเรื่องอะไรไปเสียห้าพันเสียห้าร้อยก็พอกินห้าร้อยมันก็อิ่มบางคนกินห้าสิบเขาก็อิ่มนะไม่ถึงต่ห้าร้อยเพราะั้น ขอให้กินข้าวให้มันอิ่มก็มันก็ได้ผลเหมือนกันจะอาหารราคาเท่าไหร่มันก็อิ่มเหมือนกันดูแลรักษาร่างกายได้เหมือนกันนั้นถ้าเราใช้เงินน้อยกับการที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายเราก็ไม่ต้องหามากเมื่อเราไม่หามากเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาหาปัจจัยสี่ให้กับใจแทนแทนที่จะทำงานห้าวันต่ออาทิตย์เราอาจจะทางานแค่อาทิตย์ละวันก็พอแล้วอีกสี่วันอีก อีกหวันเราก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันมาหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจกันจะดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากปัจจัยสี่ของจิตใจนี้มันมันมากกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากปัจป จ, จัยสีของทางร่างกายนี่เกิดสาเหตุทําไมพระพุทธเจ้าถึงกําหนดวันพระขึ้นมาถ้าไม่กําหนดพวกเราก็จะไม่มีวันหยุดการหาปัจจัยสีทางร่างกายกันนะ พระพุทธเจ้าเลยต้องสอนว่าหยุดสักวันหนึ่งมาหาปัจจัยสีทางจิตใจมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าเรายังต้องมีอะไรต้องทําอีกมากมายสิ่งที่เราควรจะทําสิ่งที่เราควรจะหาความสุขที่เราควรจะได้นี่ยังมีอีกมากยังรอเราอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่กลับไม่หากันเรากลับไปหาความสุขที่มันตันคือความสุขทางทางร่างกายมันตันแล้ว มีเงินกี่ร้อยล้านความสุขทางร่างกายมันก็เท่าเดิมซึ่งเอาเวลามาหาความสุขทางจิตใจดีกว่าที่มันจะมีเพิ่มความสุขให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรความสุขที่สามารถกรบความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากที่เกิดทางร่างกายได้ การได้มีความสุขทางใจนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเลยเพราะความสุขของใจนี้มันกรบกบความทุกข์ทางทางร่างกายไว้ได้หมดเลยพระพุทธเจ้าภาษาวกขนี้ท่านแก่ท่านเจ็บท่านตายอย่างสบายไม่เหมือนพวกเราที่แก่แล้วเจ็บแล้วตายอย่างทรมานร้องอวดควลนคางกัน เพราะเราไม่มีความสุขทางใจไม่มีปัจจัยสี่ทางใจกันอดังนั้นขอให้เรามีวันพระกันแล้วเพิ่มวันพระให้มีจากหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันต่อไปขอให้มันเป็นวันพระทุกวันเลยนักบวชนี่พระสงองค์เจ้านี่ท่านมีวันพระทุกวันเพราะเป็นวันที่ท่านหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจของท่านตลอดเวลาหา หาด้วยการรักษาศีลหาด้วยการนั่งสมาธหาิหาด้วยการเจริญปัญญ า, าท่านหาไปเรื่อยเรื่อเดี๋ยวไม่ช้าใจของท่านก็จะมีแต่ความสุขเป็นเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจเลยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีวันพระกันมีวันพระเราจะได้มา สร้างปัจจัยสี่ให้กับใจสร้างความสุขให้กับใจแต่ตอนนี้เราทําได้เพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ต่อไปถ้าเราทำแล้วได้ผลรับรองได้ว่าเราอยากจะทํามากขึ้นไปเพราะความสุขทางจิตใ จ, จนี้มันเป็นความสุขที่มีความดูดดื่มกว่าความสุขทางร่างกายและความสุขทางร่างกายมันก็มีขอบเขตพอมันถึงเขตเต็มที่แนละ้วมันก็เท่านั้น น้อยซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าเมกล้อยชุดมันก็เท่านั้นน่ะมันก็ยังเหมือนเดิมความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามาซื้อมาสร้างความสุขมาสร้างปัจจัยสี่ทางจิตใจแล้วความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขจะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนความทุกข์นี้ไม่มีเหลือเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนร้านเซว่นอเ่เปิด24 ยสิบสี่ทางร่างกายกับยีสบสี่ทางจิตใจนิพพานนี่คือร้านเซเนของจิตใจใครไปถึงนิพพานก็เหมือนกับได้ไปถึงร้าน7ซเอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรมีให้กินให้ซื้อตลอดเวลาขอให้พวกเราพยายามมีวันพระกันแล้วก็สร้างปัจจัยสี่ของใจให้เกิดขึ้นในวันพระกันแล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวะห้าปุร า, าริปุเรนติสากขลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัรปติ อิติตังปาติต um ังตุมหังคิพะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิต so ิโยวิวาจาตุสัพพโรโขวิน so ัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวา อะภิวาธานสีิทธะนิจังวุทธาปจายโนจตารโหธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางอาจารย์มีอะไรจะคุยจะถามไหมอาา่าเดี๋ยวโยมข้าง เห็นมันจิตมันออกนอกค่ะแล้วทําไมเห็นจิตออกนอกแล้วมันเลื้อยเข้ามาในกายเหรออันนั้นเป็นสมถะชไม่ใช่หรอกมันเป็นเป็นความคิดของใจมันปรุงแต่งขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองอ่ามันถ้าถ้าเป็นสมถะเป็นสมาธิมันต้องเห็นแต่ความว่างไม่มีอะไรให้เห็นยั้นไม่ควรที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้การนั่งควรที่มีอะไรคอยกํากับใจ อย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูใจให้นั่งแล้วพุโทโธพุโทโธไปหรือนั่งแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปเวลามีอะไรก็อย่าไปสนใจมันเป็นการการแสดงภาพยนต์ของจิตให้เราดูนั่นเองจิตมันใช้หลั่งหลอกเรามันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือความสงบความว่างก็เวลาเราเห็นจิตนี่มันมัน ก็อย่าไปสนใจมันมันตอนนี้เราเห็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราทําอะไรมันไม่ได้อตอนนี้เราต้องการที่จะมาหยุดจิตก่อนหยุดให้มันใช้หนังตอนนี้มันชอบใช้หนังเนี่ยที่เราเห็นเกิดดับเกิดดับนี่นเป็นการใช้หนังของจิตนะรังค์ไม่ปฏิบัติแล้วก็เห็นมันภาพอยในใจอ่นั่นแหละอ่ะอ น, นั้นเป็นการปรุงแต่ ง, ต ง, งนนะปรุงแต่งเท่นั้นอ่าปรุงแต่งเท่านั้นอย่าไปสนใจ เราต้องการที่จะหยุดการความคิดปรุงแต่งต่างๆต้องการให้เป็นถ้าเป็นจอหนังก็ให้มันเป็นจอว่างๆอย่าให้มันมีภาพบนจอภาพมันเป็นของปลอมภาพเกิดดับเกิดดับมาแล้วก็ไปไม่มีสาระประโยชน์กับจิตใจมีแต่ทําให้ใจฟุ้งซ่านทําให้ใจเครียดไปเปล่าๆถ้ามีจอว่างๆดูแล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขเราต้องการจอว่าง ไม่ต้องการให้จิตมันฉายหนังให้เราดูเราต้องการปิดเครื่องใช้หนังปิดสังขารตัวคิดปรุงแต่งโยมันนั้นไม่ใช่เอ้ยเอ้เอาจรารย์ฐานนั้นเป็นทไมมันคนละที่กันมันไม่ใช่เอมันเม็นซีดี ก็มาหลายเดืนนะะเอนแล้วค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าการพัฒนาทางด้านกิเลส ข, ของตัวเองมาถึงความความโกรธความรู้ความหลงนี่ก็เริ่มจะน้อยลงคะมายถึงมันลดลงเพรา ะ, ะตามปกติเป็นคนที่โกรธง่ายสามีก็เก้าสิบบางทีเขาก็ดา่ดาด่าใช้เราอย่างนี้ยะคะ่ะเราก็อยู่เกิดการมาท่านเลยรู้สึกว่าไม่ได้โกรธเลยแล้วมีความรู้สึกแบบนั้น วันก็เลยไปนั่งคือการปฏิบัติของหนูจะเป็นลักษณะที่ว่าทั้งฟังทั้งเดินทั้งคือทําอยู่อย่างนั้นค่ะทีนี้ก็ไปฟังฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าพิจารณาอศัศวะก็มาสะดุดคํานี้ล่ะอพิจารณาอศัศวะนี้สามารถเริ่มต้นตั้งแต่การดูภาพได้ไหมคะเพราะว่าในสมองนี่ยังได้ดูภาพก่อนไปดูภาพที่ถ่ายก็ได้ไปดูภาพจริงก็ได้ ไปดูป่าชา้าเวลาเข้าร่างป่าชา้าหรือไปดูผ่าศพที่โรงพยาบาลหรือไปงานศพถ้าเขาเปิดศพให้ดูก็ไปดูศพของคนตายอันนี้ก็เป็นภาพอาสุภะคือภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายแล้วพอเราดูแล้วก็จดจำภาพนั้นไว้แล้วก็เอามาคิดมานึกมันอยู่เรื่อยๆให้มันติดตาติดใจเรา ต่อไปเรามองภาพเรามองเห็นคนก็จะนึกถึงภาพที่เวลาที่เขาตายไปเป็นอย่างไรมันก็จะทำให้เราไม่ไปหลงรักเขาไม่ไปหลงยึดติดในร่างกายของเขาเพราะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเขาต้องกลายเป็นศพไปแต่ที่หนูเล่าให้ฟังนี้หนูยังไม่ได้เล่าเรื่องนั่งสมาธิให้ฟังเลยนั่งสมาธิคือปกติก็ตื่นขึ้นมาก็เดิ เดินเดินนี้เป็นการเจริญสติยังไม่ได้เรียกว่าเป็นการนั่งสมาธินั่งสมาธิบางทีก็ถ้ายังไม่นั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิให้ได้ก่อนเาะทําให้จิตรวมให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตสงบเป็นอุเบกขาให้จิตมีความสุขก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปเจริญทางปัญญาเพื่อให้ปล่อยวางสิ่งที่เรายังยึดยังติดยังให้ความสุขกับเราอยู่ เป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของเราถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะใช้ปัญญาปล่อยวางไม่ได้ไแต่ว่ามันมีผลคือเวลาเรานอนช่วงจังหวะที่นอนนี่หนูจะกําหนดลมหายใจตลอดเสร็จแล้วจะมีความรู้สึกว่าเหมือนระบบในร่างกายมีความสัมผัสนะคะไม่ได้เห็นค่ะแต่สัมผัสเห็นว่าระบบในร่างกายมันทํางานตลอดมีระบบหัวใจมีอะไรอ่านั่นก็นยังไม่ใช่นั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิไม่ต้องการให้เห็นอะไรไม่ต้องให้มีอะไรให้จิตมันนิ่งมันว่างอันนั้นต้องไปถึงตรงนั้นก่อนถึงจะมีประโยชน์จิตถึงจะมีกำลังที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะปล่อยไม่ได้ดังนั้นที่เล า, านี้ก็เพียงแต่เจริญสติกับเจริญปัญญาแต่ไม่ไม่เข้าไปตรงกง ขั้นที่สองคือเจริญสมาธิขั้นต้นเจริญสติเพื่อจะได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ว่างให้มีความสุขพอใจมีความสุขสุขแล้วออกจากสมาธิก็พิจารณาทางปัญญาเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเคยให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยวแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเราจะไม่มีกาลังไม่มีความสุข ที่จะมาใช้ทดแทนความสุขที่เราจะต้องเสียไปเราก็จะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเสียความสุขเก่าไปยังติดกับร่างกายของคนนั้นคนนี้อยู่ยังติดกับร่างกายของเราอยู่ยังต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอะไรเช่นนั้นก็จะเห็นดูไปอย่างนั้นรู้ไปอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาจะให้ปล่อยไม่ปล่อยยังเสียดายยังรักอยู่ ยังหวงอยู่เพราะยังให้ความสุขกับเราอยู่เพราะเราไม่มีความสุขที่ดีกว่ามามาทดแทนเหมือนได้ยังขับรถเก่าโกโลโกโซอยู่ก็ยังไงก็ยังใช้มันยังดีกว่าเดิมใช่ไ้มแต่ถ้าได้รถใหม่มาเมื่อไหร่รถเก่าน้โยนทิ้งเลยะตอนนี้ไปหารถใหม่ก่อนแล้ว่อยมาพิจารณารถเก่านี้ขับไปก็เหนื่อยเปล่าๆทิ้งมันดีกว่า ตอนนี้ความสุขเก่าๆที่เราใช้ที่มีอยู่มันเหมือนรถโกโลโกโซแต่มันก็ยังพาเราไปไปไหนมาไหนได้ดีกว่าเดินแต่ถ้าเราได้รถใหม่เมื่อไหร่รถเก่า น, นี่เราย ก, ยกให้คนอื่นไปเลยงั้นตอนนี้เราไปหารถใหม่ก่อนหาความสุขจากสมาธิให้ได้ก่อนถ้าได้ความสุขจากสมาธิแล้วความสุขจากร่างกายของเราก็ดีจากร่างกายของคนอื่นก็ดีก็ทิ้งมันไปได้เลยไม่ต้องใช้มันอีกต่อไป เมื่อกี้ตอําำถามโยงเข้าใจใช่ไหมฮะเมื่อกี้เข้าใจได้ยังทำใจวใ่างนะให้สงบอย่าไปดูมันดูมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นหนังหลอกเรามายาเข้าใจไหมโยงก็ไปปฏิบัติฟังเอาฟังไปทางนู้นจ้ะค่ะท่านปูเ่เกษมธรรมทัดฝึกสติให้ให้มีสติกากับใจแล้วให้ใจสงบให้ว่าง แล้วจะมีความสุขแล้วค่อยไปทางปัญญาไม่งั้นเดี๋ยเห็นอะไรทางจิตถ้าชอบก็จะยึดจะติดขึ้นมาถ้าไม่ชอบก็จะกลัวต่อไปก็จะไม่กล้านั่งบางคนไม่นั่งแล้วไปเห็นอะไรที่อิ้งต้องมีสติแล้วมันจะสามารถปล่อยวางไม่ได้ต้องมีปัญญาถึยียงจะปล่อยต้องมีสมาธิก่อนอาจารย์จะถามอะไรไป่ะ พยายามดนิโสเรือ่องบารณสติแล้วก็ีัตานแล้วไม่นั่งสมาธิให้รวมบ้างนะพยายามนั่งสมาธิให้รวมไม่ได้าะถึงแม้ว่าจะดวงนิโสยังไงมันก็ปล่อยไม่ได้ <Okay. S 2> ถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีกำลังมันยังเสียดายอยู่ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะไม่เที่ยงถึงแม้ว่าจะไม่สวยไม่งามมันก็ยังตอนนี้มันยังสวยยังงามอยู่มันยังเที่ยงอยู่ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันก็จะปล่อยได้ว่าสมาธิจะให้ความสุขเราดีกว่าที่เราจะได้รับจากร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีเนี่ยต้องพยายามอ่าเนี่ยสิ่งที่เราขาดกันก็คืออัปปนาสมาธิจิตรวมลงสักตะวะรู้แล้วก็นิ่ง เ, ยเฉยๆมีความสุขมีอุเบกขา เท่าที่ทโยนิสโสประโยชน์ก็คือเวลาเราอยู่ท่ามกลางใหญ่ๆมันก็จะเหมือนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถมาถล่ือนอะไรเลยอแต่มันเหนื่อยมันต้องโยนิสโส อ, อยู่เรื่อยถ้ามีสมาธิมีโ อ, อเบคขา ม, มันไม่ต้องอยู่นิสโสมันเฉยเฉยมันเฉยของมันถ้ามันไม่เฉยเราถึงข้อขอยู่อยู่นิโสแต่นี่มันต้องโยนิสโสตลอดเวลาเพราะมันไม่ยอมเฉยเลยมันไม่มีความเฉยเลยพอมันจะเหนื่อยเนี่ย ค่ะค่ะอยากจะทำคุณาาอา จ, จารย์ค่อาจารย์ค่ะเวลาโยมนั่งสมาธิอะโยมก็รู้สึกว่ามีความสงบนะคะแต่ว่าความสุขที่ว่าได้จากความสงบที่เป็นความสุขเลิศๆอย่างนั้นก็ไม่เคยได้รับแต่ว่าก็รู้แต่ว่าตัวเองมีความสงบได้ะะแต่ว่าอันนี้ก็ก็พยายามที่จะไปเจริญทางด้านอเออกายยาคตาสตินะคะก็จะเจริญได้แต่ว่ามันก็เป็น เหมือนกับว่าอยู่ที่กายได้ไม่ค่อยนานก็พยายามที่จะอยู่ที่กายตั้งแต่หัวโจดเช้าตามที่พระอาจารย์หลายๆท่านเขาแนะนําแต่ว่าก็แต่ละที่แต่ละที่ก็อยู่แบบเหมือนจับจดแสดงว่าโยมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าขั้นอัปนาสมาธิได้ใช่ไหมคะคือเวลาที่จเจริญมันน้อยเวลาเจรินสติมันน้อยอจะเจริญได้อย่างเต็มที่ต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องทาําภารกิจอย่างอื่น เช่นมาอยู่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันองเงี้มันจะมีเวลาที่จะคอยเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทํางานทําการเดี๋ยวเราจิตเราก็ต้องไปอยู่กับเรื่องอื่นมันก็จะไม่ได้อย่างต่อเนื่องและการเจริญกายกตาสตินี้ก็ไม่ต้องเจริญแบบไปทั่วอาการสามสิบสองเพียงแต่ให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวหการการะทําของร่างกาย ตอนนี้เรากาลังทำอะไรอยู่กำลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันกำลังล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้ากำลังหวีผ้าวีผมก็อยู่กับการกระทำเหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วพอเราไม่ต้องมาทำงานทาภารกิจอะไรเราก็นั่งสมาธิกันพยายามนั่งให้บ่อยๆสลับกับการออกมาเจริญสติแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปได้อยู่ที่กาลังของสติ คามสติมันต่อเนื่องมันไม่แวบมันไม่เผลอไปที่อื่นเวลานั่งสมาธิมันก็จะลงเข้าไปลึกเรื่อยๆการที่เราจะทราบได้ว่าเราอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิมันมีความจําเป็นไหมคะหรือว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องทราบว่าอยู่ในขั้นไหนแต่ขอให้เราอยู่ในแค่ความสงบให้มันสงบก็แล้วกันแต่เราก็จะรู้ว่าความสงบแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันสงบครั้งนี้สู้เขา คราวนี้ดีกว่าคราวที่แล้วแสดงว่าจิตเราลงเลิกขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถึงจุดที่มันเบามันว่างมันมันรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเต็มขั้นของมันมันอิ่มเมืนกินอาหารเนี่ยกินอาหารเราก็จะรู้สึกว่ากินจานเดียวก็อิ่มเลระดับหนึ่งกินสองจานก็เราอีกระดับหนึ่งถ้าสาจานเนี่ยโอ้ยมันแน่นท้องแล้วเนี่ยมันจะรู้เองแต่ต้องใช้สติสตินี้มันเหมนตัวกินข้าว กินเข้าไปได้เรื่ยเดียวมันก็อิ่มเองอิ่มมากอิ่มน้อยก็อยู่ที่กินมากกินน้อยจิตสงบมากสงบน้อยก็อยู่ที่สติว่ามีความต่อเนื่องมากน้อยเพียงไรยั้นก็พยายามเจริญสติไปสลับกับการนั่งสมาธิไปก่อนยังไม่ต้องไปคิดทางปัญญาเพราะมันจะทําให้ใจฟุ้งมากกว่าแล้วก็ถ้าแล้วก็จะไม่มีกําลังที่จะไปตัดกิเลสได้ด้วยปัญญา ใจยังไม่มีความสงบไม่มีกําลังงั้นต้องใจเย็นๆนี่นนการเจริญสติสมาธินี่มันไม่ใช่ทําปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยมันเหมือนตูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ ย, ยกว่ามันจะโตใหญ่เป็นต้นขนาดนี้มันใช้เวลาเป็นสิบ ป, ปีกูบาอาจารย์แต่ลรองค์นี้กว่าท่านจะได้สมาธิไม่ใช่ท่านนั่งปุ๊บท่านจะได้ปั๊บกันที่ไหนบางองค์บวชกันเป็นสิบ ป, ปีกว่าจะได้จิตรวมกันสักครั้งหนึง หลวงตาท่านบอกว่าช่วงที่ท่านบวชท่านเรียนหนังสือ6ปีแรกนี้ท่านบวกท่านเคยได้ปัญญาเพียงสามครั้งเท่านี้จิตดวงเพีงสามครั้งขณะเป็นนักบวชนะแต่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติท่านยังเรียนหนังสืออยู่ช่วงนั้นท่านยังเรียนบาลีเรียนนักธรรมอยู่ท่านก็แต่ท่านก็มีเวลาว่างนั่งสมาธิช่วงที่ท่านไม่เรียนท่านก็นั่งสมาธิท่านบอกเคยรวมได้สามครั้ง แต่พอมาปฏิบัติแล้วนี่จบอกว่ามันเดี๋ยวก็รวมแล้พอปฏิบัตินี้มันไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องยุ่งกับใครมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้มันก็จะรวมหมายถึว่าต้องควรจะให้จิตรวมก่อนถึงจะไปคิดถึงทําปฏิบัติทางด้านจเจริญสติทางด้านให้จเจริญปัญญาทางด้านกอนอยายคตาสตินะคเพราะว่าถ้าไปจเจริญก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เหมือนกับไปเอามีดมาแต่คนใช้มีดยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนยังไม่ได้กินข้าวได้มีดมาก็ไม่มีแรงที่จะไปฟันฟันต้นไม้ต้องให้คนที่จะไปฟันต้นไม้นี้พักผ่อนหลับนอนกินข้าวให้มีกําลังก่อนพอมีกําลังแล้วเข้าไปเอามีดมาตัดต้นไม้ก็จะตัดได้ปัญญาคือมีดแต่คนที่จะใช้มีดนี่คือสมาธิคือจิตถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตก็จะไม่มีกําลัง เพราะเพราะยมเคยได้ยินท่านหลวงตามหาบูบอกว่าออถ้าเจริญแต่ทางด้านสมาธิอย่างเดียวมันก็จะเหมือนกับสมาธิหัวต่อยมก็เลยเกรงว่ายมจะเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ยังไม่มีสมาธิเลยท่านที่ท่าบูเจริญสมาธิอย่างเดียวหม่ยถึงมีสมาธิแล้วไม่ออกทางปัญญานี่ยังไม่มีสมาธิมันก็ต้องมีสมาธิก่อนอถึงจะไปทางปัญญาได้ ถ้ามีสมา ธ, coming, ามาธิแล้วไม่ไปนั่ยนะถึงจะเรียกว่าสมาธิหัวต่อเข้าใจไหมเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเอาแต่อปปนาสมาธิอย่างเดียวออกมาก็เจริญสติอย่างเดียวไม่พิจารณาธรรมเลยอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าติดสมาธิสมาธิหัวต่อแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิมันก็ต้องมีสมาธิก่อนคนเราไม่เข้าใจตอนที่ท่านพูดว่าท่านหมายถึงตอนไหนท่านหมายถึงตอนที่ท่านได้อปปนาสมาธิแล้วแต่ท่านไม่ออกทางปัญญา มันก็ไม่มีปัญญาที่จะมาตัดกิเลสมีกําลังแต่ไม่มีมีดเอามือไปตัดต้นไม้ได้ไหมมีกําลังถอนมันด้วยกำลังยกมันถอนมาได้ไหมต้นไม้ใหญ่ๆถาอขปนาสนะขปนาสมาธินี่จะต้องประกอบไปด้วยลักษณะอย่างไรบ้างก็โอเบคาสัตวะโลถักแต่ว่า ร, ร, รู้จิตนิ่งเฉยบางทีร่างกายก็หายไป ถ้าไม่หายเสียงเสืองด้วยความเจ็บความปวดทางร่างกายก็จะไม่รบ ก, กวนใจใจจะเฉยเฉยใจไม่รู้สึกอะไรกับความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาสัมผัสทางทวารทั้งห้าถ้าลงเข้าไปลึกก็หายไปในร่างกายเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ก็คือยังได้ยินเสียงอยูน่นะก็ได้ทั้งสองอย่างเลยแบบพูดดับตับไหม้ก็ได้แบบได้ยินเสียงก็ได้แต่ใจเฉยไม่ยุ่งกับมัน ไม่ลาคาญไม่เดือดร้อนไม่วิตไม่มีไม่ปรุงแต่งเฉยๆรู้เฉยๆถ้าได้อย่างนี้มันถึงจะไปปล่อยวางได้พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยมันได้มันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็ให้มันตายได้ให้มันเจ็บได้เนยมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยังไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายมันก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันเฉยไม่เป็น บังหัดทําให้มันเฉยให้เป็นก่อนพอถึง เ, เวลาจะเฉยมันจะเฉยได้โยมก็โยมแล้วก็ขณะที่นั่งสมาธิถึงน่าจะมีเสียงรบกวนหรืออะไรโยมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราไม่ว่าอะไรก็ทําไปกแล้วกันนะยมจะใช้ปัญญาก็ได้แล้วดูว่าปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยได้ก็ดีก็เอาไปเล ย, ยก็แบบก็ลองไปปล่อยร่างกายดูว่าปล่อยมันได้หรือเปล่าเวลามันเจ็บปล่อยมันเจ็บเพราะว่าไม่มีเบรคขา นั่งสมาธิมันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปสิอันั่นแหละพระร่างกายต่อไปมันก็ต้องเจ็บไม่ใช่แล้วเจ็บ่ายได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่มันเจ็บไหถ้าไม่มีสมาธิมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ถ้ามีสมาธิมันก็เฉยๆปล่อยมันเจ็บไปใจก็ไม่วุ่นวายไปเดือดร้อนไปกับมันนั่นแหละคือหน้าที่ของสมาธิคือทําให้มีอุเบกขาส่วนหน้าที่ของปัญญาสอนให้เราอย่าไปอยากให้มันหาย มันเป็นอะไรได้มันเป็นถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดขึ้นมาดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้เองว่าตนเองมีกําลังหรือไม่มีกําลังขาดอะไรยผู้สอนก็เพียงจะบอกให้รู้ไม่ทํากับข้าวว่าทํากับข้าวต้องใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่พริกเท่านี้เท่านั้ น, เ, นเวลาคนทําทําไปก็ต้องชิมไปเองถึงจะรู้ว่าเอ น้ำตาลมากไปหรือเปล่าเกลือมากไปหรือเปล่าเ อ, อมันจะได้รู้ว่ารสมันรสชาติถูกต้องไหมออถ้าไม่ชิมมันก็ไม่รู้ีออ่การปฏิบัตินี่ก็เป็นเหมือนการชิมไปในตัวปฏิบัติปฏิบัติไปเราก็จะรู้ว่าสมาธิเรามีหรือยังเ อ, อสติเรามีหรือยัง อ, อปัญญาเรายังใช้ได้หรือยังควร จ, จะเจริญเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะรู้เองทําอาหารก็ต้องรู้เวลาจะใส่เนื้อตอนไหนใส่ผักตอนไหน บางทีก็มีขั้นตอนเนี่ยให้ใส่นี่ก่อนใส่นั่นก่อนแล้วก็ใส่ต่างกันมาอันนี้ก็เหมือนกันคนสอนก็เพียงมีแต่บอกภาพรวมไม่ฟังว่าต้องทำอย่างนี้ทำนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้คนปฏิบัติก็ต้องเอาไปปฏิบัติ ด, ดูททำได้ไม่ได้คนสอนไม่ได้ล ม, ม่ได้รังเกียจไม่ได้ว่ากล่าวไม่ได้ให้คะแนนที่นี่ไม่มีการให้คะแนนผู้ปฏิบัติทังหล่ะจะเป็นคนให้คะแนนตัวเอง คนสอนเพียงแต่บอกให้รู้เท่านั้นเองว่าต้องทําอย่างไรอย่านั้นไม่ต้องกังวลกับคนสอนคนสอนก็พูดไปตามภาษาคนสอนคนเรียนก็เรียนไปทําไปทํามากทําน้อยผลมันก็จะเป็นตัวให้ให้คะแนนเราเองถ้าทํามากทําถูกมันก็จะได้คะแนนดีถ้าทําน้อยทําไม่ถูกมันก็จะได้คะแนนไม่ดี คือดูที่ความสงบดูที่ความโลภโกรธหลงความอยากมันมากขึ้นแล้วน้อยลงดูดูที่ตรงนั้นเป็นตัวให้คะแนนเราอดูที่ตัวทุกข์รู้สึกเนี่ยอยู่ในใจเราเนี่ยเป็นตัวที่ให้คะแนนถ้าทุกข์ก็ยังสอบไม่ผ่านถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าผ่านเวลาแก่ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าผ่านไปข้อนึ่งละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์ก็ผ่านไปข้อหนึ่งละเวลาต้องตายไม่ทุกข์ก็ผ่านไปข้อหนึ่ง คือข้อสอบที่เราจะต้องให้คะแนนตัวเราเองสันติโกผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองทำขั้นต่างๆว่าได้ผ่านหรื อ, อยังมีอะไรอีกไหมคือสิ่งที่ต้องามก็คือจเจริญสติให้มากส่วนใหญ่นี่ยังถ้ายังไม่สมาด้สมาธิยังไม่ได้ปนาสมาธิก็แสดงว่า ยังไม่มีสติกับที่ต่อเนื่องเวลาเรายัางยังไม่พอที่จะมาสร้างสติแบบต่อเนื่องถ้าใจเราต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีสติแล้วถ้ามีสติมันต้องไม่คิดมันต้องรู้อย่างเดียวใช่ไเวลาเดินก็รู้ว่ากาลังเดินอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดนี้ใจมันปรุงแต่งว่าถ้ามันปรุงแต่งมันก็จะทาให้จิตสงบยาก ถ้ามันหยุดปรุงแต่งแนละ้วมันก็จะทําให้จิตสงบง่ายเอ็นต้องพยายามฝึกให้รู้สักแต่ว่ารู้อย่าให้มันคิดนเถ้าไม่ให้มันคิดก็ต้องไปอยู่คนเดียวเช่นวันหยุดเนี่ยเราไปอยู่คนเดียวไปเปริกเว้เวกไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรคิดอย่างเรื่องเรื่องใกล้ตัวนั่นเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรเท่านั้นเองมันก็ไม่ต้องคิดมากแล้วมันก็จะมีเวลามาฝึกสติ มาฝึกให้รู้เฉยๆถ้ามันยังคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้ใช้คําบริกรรมแทนแต่ยังคิดถึงบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงอะไรอยู่ขณะที่มาอยู่คนเดียวก็ต้องใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาในใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายให้อยู่กับการกระทําของร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธถ้าเราแล้วแต่เราจะกาหนดให้ใช้เป็นอารมณ์ถ้าเราใช้การดูลมเป็นเป็นอารมณ์ก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าดูลมโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเลยเดี๋ยวจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ถ้าพุโทโธอย่างเดียวโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเนืมันก็สงบได้ แต่ถ้าพูดโทรไปสองคำเรื่องนั้นก็เข้ามาแนะพูดโทรสามคำเรื่องนู้นก็เข้ามาแนละ้วเดี๋ยวเผลอพูทโทหายไปเลยมีแต่เรื่องนั่งไปชั่วโมงนึงก็ไม่ได้อะไรเลยมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องปรุงแต่งเรื่องความคิดเราต้องหยุดความคิดความปรุงแต่งให้ได้นั้นสติเป็นธรรมที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านเปรียบสติเหมือนรอยเท้าช้างในป่านี้ไม่มีรอยเท้าของสัตว์ไหนที่จะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่จะครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดทำทั้งหลายที่มีอยู่นีที่จะต้องเจริญนี่ก็ต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีวันได้สมาธิถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะได้ปัญญาต้องได้สมาธิก่อนถึงจะถึงจะใช้ปัญญามา ทำลายกิเลสตัณหาได้ทำให้จิตหลุดพ้นได้วิมุตติไม่เกิดถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิสมาธิจะเกิดก็ต้องมีสติปัญญาจะเกิดก็ต้องมีสติวิมุตติก็ต้องมีสติมีสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาแล้ววิมุตติการหลุดพ้นก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไป งั้นขอให้เราให้ความสำคัญกับสติเหมือนกับเราให้ความสำคัญกับกุญแจรถยนต์เราให้ความสำคัญกับกุญแจรถยนต์นะเวลาเราไปไหนมาไหนเราคอยสังเกต ด, ดูว่าเรากุญแจอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีกุญแจขึ้นรถได้ไนมะขับไปไหนมาไหนไนดะ <Yeah. S 1> ้นั่นแหละสติก็เหมือนกันจะไปนิพพานก็ต้องมีสติพาไปถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิก็ไม่สงบ พิจนาปัญญาก็มันก็จะไม่เป็นปัญญามันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปุงแต่งไปคิดเรื่องอื่นแทนดังนั้นขอให้เรามาฝึกสติกันสตินี่สําคัญมากถ้ามีสติพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็ได้บรรลุ ก, ก็ได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีรับรองว่าต้องบรรลุได้อย่างแน่นอนนี่ท่านทรงแสดงไว้ในท้ายพระสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ย ที่ ส, สอนให้เจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ามีสติเจริญอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมแล้วรับรองได้ว่าจะหลุดพ้นได้ภายในเจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากยังขอให้เราให้ความสําคัญสติเหมือนกับเราให้ความสาคัญกับกระเป๋าเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าเราเนีเรารักษาเงินทองไหมคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่ามันหายไปหรือเปล่า ทำไมเราไม่ดูสติว่าหายไปหรือเปล่าหายไปเรื่อยพุโทโธหายไปเรื่อยพุโทโธด้สองคำหายไปละมันก็หายไปไหนขอให้เรารักษาสติเหมือนกับเรารักษากุญแจรถหรอรักษาเงินทองที่มีในกระเป๋าเราแล้วรับรองได้ว่าทำต่างๆที่เราต้องการคือสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน มีคำถามเข้ามาอย่าง เ, าเข้ามาคำถามใน inbox จากคุณนิพนธ์ค่ะแตนผมท้องได้ห้าเดือนผมเป็นคนชอบตกปลาถ้าผมตกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวจะมีผลกับลูกไหมครับไม่น่าจะมีแหละมันมีผลกับตัวเราใครทำการบันไดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคำถามจากคุณสุรัตค่ะเมื่อเช้านี้ขับรถความเร็วไม่มากนะ อยู่อยู่แมววิ่งกัดหน้าล้อหลังทับแมวเสียชีวิตบาปหนักมากไหมครับถ้าเราทําบุญอุทิศให้แมวตัวนั้นจะได้รับไหมครับไม่บาปหรอกบาปนั้นเกิดจากการมีเจตนาที่จะฆ่าแมวตัวนั้นถ้าเราไม่มีเจตนาแล้วมันเป็นอุเหตุสุดวิสัยเข้าวิ่งมาตัดหน้าเองอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเคราะกรรมของแมวตัวนั้นไปหรือเป็น เป็นเวลาที่เขาจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วมั้งเขาก็เลย <c oughs> เขาก็เลยมาตายเพื่อเราเขาจะได้ไปเขาหมดกรรมแล้วมั้งหมดกรรมเรื่องการจะอุทิศบุญให้เขานี่ก็แล้วแต่ว่าเขาไปเป็นอะไรต่อถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะรับส่วนบุญที่เราอุทิศได้แต่ถ้าเขาไปเป็นอย่างอื่นก็เขาก็จะไม่รับถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปหากินของเขาได้ไปเป็นหมาใหม่เป็นแมวใหม่ก็ยังไปหากินใหม่ได้อยู่ ถามจากคุณเทพพิดาการที่นั่งหรือเดินจงกรมฟังธรรมไปด้วยกับการที่ดูลมเฉยเฉยอันไหนจะดีคะก็อยู่ที่ว่าเราเราต้องการอะไรถ้าการฟังธรรมนี้เราควรที่จะนั่งเฉยเฉยแล้วก็ฟังเสียงธรรมแล้วก็พิจารณาตามธรรมที่เราได้ยินเพราะการฟังธรรมนี้เป้าหมายหลักคือต้องการปัญญาต้องการความรู้ ดังนั้นถ้าเราต้องการความรู้เราก็ต้องตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ต้องพิจารณาตามเหตุตามผลที่ธรรมนั้นกําลังแสดงอยู่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ปัญญาขึ้นมาแตถ้าเราต้องการความสงบเราก็ไม่ต้องฟังธรรมก็ได้ปิดธรรมแล้วก็ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวหรือถ้าจะไม่ดูลมฟังธรรมแทนดูลมหายใจก็ได้แต่ไม่ต้องพิจารณาตามเพียงแต่ฟังเสียงไป จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอให้ใจอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยเสียงธรรมนั่นก็สามารถทำหน้าที่แทนลมหายใจได้แทนพุทโธได้กล่อมใจให้เราสงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการปัญญาเราก็ต้องฟังธรรมพิจารณาตามถ้าเราต้องการสมาธิเราปิดการฟังธรรมก็ได้ปิดเสียงธรรม ให้มีพุโทโธหรือให้มีลมหายใจกำกับใจไปมันก็จะสงบเป็นสมาธิได้หรือถ้าอยากจะใช้เสียงธรรมเป็นสิ่งที่กำกับใจเราก็ได้บางทีเราไม่มีกำลังที่จะพุโทโธไม่มีกำลังที่จะดูลมหายใจเราก็ใช้เสียงธรรมเป็นตัวให้เรายึดเกาะแทนก็ได้ก็เปิดธรรมไปฟังธรรมไปแต่ฟังโดยไม่ได้พิจารณาไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่ต้องการความเข้าใจ ต้องการเสียงธรรมเป็นที่เกาะใจให้ใจไม่ไปคิดปรุงแต่งทางเรื่องต่างๆใจก็จะสงบได้คําถามจากคุณทวิชาถ้ามีคนมาสั่งซื้อเครื่องดักยุงดักหนูในแคตตาล็อกที่เป็นสมาชิกอยู่ถ้าหนูสั่งให้เขาหนูจะบาปไปกับเขาหรือเปล่าคะถ้าหนูมีไรายได้จากการกระทำนั้นหนูก็บาปด้วยคํถาถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ วันก่อนดิฉันไปปฏิบัติเจวันตอนนั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีอาการปวดตามร่างกายมากแต่ที่ใจไม่เจ็บนั่งดูแบบสบายๆไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อนคืออะไรคะก็คืออุเบกขาไงใจมีอุเบกขาใจวางเฉยใจไม่มีปฏิกิริยากับความเจ็บของทางร่างกายไม่มีความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปใจก็เลยไม่ไม่เดือดร้อนความเดือดร้อนนี่เกิดจากความอยากของใจเอง อยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนระยาบน่นแล้วทำไม่ได้มันก็จะทำให้ใจเครียดขึ้นมาแต่ถ้าใจเฉยๆปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปไม่มีความอยากให้มันหายไม่มีความอยากที่จะขยับร่างกายใจก็จะไม่เครียดใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสบายข้อที่สองค่ะดิฉันชอบได้ยินเสียงสวดมนต์หรือเสียงแปลกๆอยู่ประจาดิฉันจะทายังไงดีคะ อย่าไปสนใจถ้าเราสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปถ้านั่งสมาธิดูลมก็ให้ดูลมไปพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปจะมีอะไรมาให้เราได้ยินหรือมีอะไรให้เราเห็นอย่าไปสนใจเพราะมันเป็นภาพหลอกภาพหลอกภาพหลอกภาพภา พ, ภาพมายาต่างๆไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้ใจเราสงบจะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือสนใจอยู่กับการดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเสียงต่างๆก็จะหายไปเวลาจิตสงบคำถามจากคุณแม่ติดนั่งสมาธิมานานแบบสมัครเล่นเพิ่งรู้สึกหนนหลังๆที่นั่งเหมือนมีสติคอยคุมใจเกิดสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและรู้สึกมีไอร้อนออกจากตัวแต่ไม่ได้ตกใจอะไร ก็แค่รู้ว่าเกิดไอร้อนสักพักก็หายไปเองแต่ว่านั่งสมาธิทุกครั้งจะนั่งแค่ 15-30 ถึงนาทีค่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มไหมครับถ้าอยากจะนั่งให้ได้นานกว่า น, นั้นก็ต้องเจริญสติให้มากกว่า น, นั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดด้่ยเปื่อยก็พยายามควบคุมใจต่อพุทโธต่อไปดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ แต่อย่าปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมีเวลาก็กลับมานั่งอีกนั่งบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นยิ่งได้ได้นานเท่าไหร่ใจก็จะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้มากขึ้นคาถามจากคุณดารขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายมรร ข, ข้อ6สัมมาวายโมว่าต้องมีความภาคเพลีพยชอบในการสร้างกุศลธรรมและอสุรค ละกุศลธรรมยังไม่เข้าใจดีนะครับอ่าก็ความเพียรก็คือให้เราสร้างกุศลต่างๆที่เรายังไม่มีอยู่ให้เกิดขึ้นเช่นถ้าเรายังไม่เจริญสติเราก็มันเจริญสติเรียกว่าเป็นการสร้างกุศลถ้าเรามีสติแล้วท่านก็บอกให้เพียรรักษาไว้อย่าปล่อยให้มันหายไปเพียรรักษาต่อไปตอนตอน้นก็เพียรสร้างกุศล เมื่อสร้างได้แล้วก็เพียรรักษาแล้วก็ข้อต่อมาก็ให้เพียรละอกุศลเช่นถ้ายังยังโลภยังโกรธอยู่ก็พยายามละมันอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปอยากถ้าละได้แล้วก็เพียรละป้องกันไม่ให้มันกลับมาถ้าละการเที่ยวได้แล้วก็อย่าไปเที่ยวใหม่ละการช้อปปิ้งได้แล้วก็อย่าไปช้อปใหม่อย่างนี้เรียกว่าละอกุศลมี ให้ให้สร้างกุศลแล้วก็ให้ละอกุศลให้รักษ า, ากุศลที่ได้สร้างไว้แล้วแล้วก็ให้ป้องกันอกุศลที่ได้ละแล้วไม่ให้หวนกลับคืนมาใหม่นี่คือความหมายถึงความเพียรชอบมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคำถามจากคุณต้นทุนข้อที่หนึ่งค่ะหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จผมควรทําอย่างไหนก่อนกันครับเดินจงกรมจเจริญสติก่อนหรือนั่งสมาธิเลยครับ ความจริงคนต้องเจริญสติตั้งแต่คนไหว้ผ้าสวดมนต์นั่นแห ล, ละสตินี่สําคัญตลอดเวลาถ้าไม่มีสติสวดไปเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องการการสวดมนต์นี้เป็นการฝึกเจริญสติเมื่อสวดเสร็จใจก็จะเบาจะเย็นลงแต่ยังไม่สงบเต็มที่ก็นั่งสมาธิต่อไปเลยอย่าไปลุกเดินจงกรมนอกจากว่ามันง่วงเท่านั้นเองถ้านั่งแล้วจะหลับก็ต้องลุกไปเดิน เพื่อจะได้แก้ความง่วงแต่ถ้าไม่ง่วงเรานั่งได้ก็นั่งไปเลยพุทธโธต่อไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจต่อไปก็ได้จนกาจิตจะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาข้อที่สองค่ะมีวิธีไหนบ้างครับที่เจริญสติได้ตลอดเวลานอกจากเดินจงกรมครับก็ทุกอย่างที่เราทำอยู่ไงพอลืมตาขึ้นมาเราก็เจริญสติได้เลย ด้วยการดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนกำลังนอนอยู่พอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่าอิริยาบถของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังนอนอตอนนี้ร่างกายกำลังลุกขึ้นมาแล้วกำลังยืนกำลังเดินกำลังไปเข้าห้องน้ำกำลังไปล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการกระทาต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่าให้ร่างกายทาอย่างหนึ่งใจไปคิดอีกอย่างหนึ่ง เช่ร่างกายกำลังนั่งร่างหน้ า, า, นาแต่ใจกำลังคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรดีอันนี้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติในี้ใจกับกายต้องอยู่ร่วมกันอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในปัจจุบันใจต้องอยู่ในปัจจุบันถึงจะเรียกว่ามีสติถ้าใจไปอดีตไปอนาคตแล้วนี่เรียกว่าไม่มีสติแล้วยกเว้นว่าถ้าเรามีสติตั้งใจให้มันไปเพราะเราต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการ แล้วเรามีสติอยู่กับการคิดเรื่องงานเรื่องการนี้ก็ไม่ถือว่าไม่มีสติอาจจะคิดว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรติดต่อกับใครไว้วันนี้จะต้องไปทําอะไรต่ออันนี้คิดได้แต่ตอนนั้นต้องให้มีสติอยู่กับความคิดอย่างเดียวอย่าไปทําอะไรพร้อมๆกันถ้ากําลังคิดก็ให้หยุดหยุดการกระทําทางร่างกายจะยืนก็ได้จะนั่งก็ได้แล้วก็คิดให้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทํางานต่อ มาอาบน้ำมาแต่งตัวมารับประทานอาหารระหว่างนั้นก็อย่าให้ไปคิดอะไรให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นเรียกว่าการเจริญสติคำถามจากคุณพัชรากสิทธิถ้าถือศีลแปดแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ปะครับก็มีมันอย่างน้อยมันก็ต้านกิเลสความอยากที่จะไปเสพกรามได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ เพียงแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะหมดกําลังได้เพราะว่าศีลนี้มันมันไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้อย่างแท้จริงแต่มันจะช่วยในการที่เราจะไปทำลายกิเลสเพราะการมีศีลนี่ก็เป็นเหมือนกับการมีรั้วเช่นเราต้องการที่จะจับอัวควายเข้ามาผูก ม, มัดนี่ถ้าเราไม่มีรั้ว คอบคุมมันไว้มันก็จะวิ่งไปทั่วทุกขนทุกแข่งเวลาเราจะจับมันเราก็เหนื่อยเราต้องไปวิ่งตามไล่จับมันมาแต่ถ้าเรามาจับมันไว้ในในรั้วในคอกเวลาเราจะจับมันมัดบริเวณที่มันอยู่มันก็แคบก็ทำให้เราจับมันง่ายหน้าที่ของศีนก็คือล้อมคอกกิเลสคือความอยากต่างๆให้มันอยู่ในที่ที่เราจับมันได้ง่าย ถ้าเราไม่มีรั้วมันก็จะไปที่ผับที่บาร์ไปที่โรงหนังไปที่อศูนย์การค้าไปอะไรสถานที่ต่างๆจะมาดึงให้มันม า, มานั่งสมาธิมันก็ยากใช่ไหมแต่ถ้าพอมีศีลแปดนี้มันก็จะไปตามสถานที่ต่างๆไม่ได้มันก็จะเรียกให้มันมานั่งสมาธิมันก็ง่ายดังนั้นการมีศีลก็มีไว้เพื่อล้อมครอบความอยาก แต่ถ้ามีแล้วล้อมคอกมันแล้วแล้วไม่มาทําให้มันความอยากมันก็ดิ้นอยู่ในคอกนั่นอ่ะใจมันก็ไม่สงบใจมันก็วุ่นวายแล้วเดี๋ยวทนไม่ไหวมันก็ตะบะแตกสินแตกสินขาดอยู่ได้ไม่กี่วันมาอยู่วันได้สามวันก็ขอกลับบ้านแะ้วพออยากจะกลับไปออกนอกคอกแล้วแต่ถ้าจับมันอยู่ในคอกแล้วเอาสติมามัดมันไว้จับมันมัดให้มันอยู่กับเสาอยู่กับหลัก มันก็นิ่งสงบมันก็ไม่มาลบกวนใจใจก็จะอยู่รักษาสีแปดไปได้อย่างสบายคำถามจากคุณชิลารถมีลูกค้ามาซื้อของแล้วให้เราเขียนราคาเกินเพื่อนำไปเบิกเจ้านายในใจครั้งแรกคิดว่าเขาโกงเจ้านายเราจะเป็นบาปในการโกงนี้ด้วยอีกใจก็คิดว่าไม่เป็นไรเขาเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางซื้อของของเราไปแล้วไปขายให้เจ้านายกินกาไรอีกที ก็เหมือนที่เราออกของมาขายคําถามคือข้อที่หนึ่งจากเหตุการณ์นี้จะถือว่าผิดมันก็ผิดจะถือว่าไม่ผิดก็ได้แล้วที่แท้แล้วผิดไหมคะก็ก็ผิดแต่เพราะมันไม่มันไม่พูดมันไม่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้นก็เป็นการหลอกลวงถ้าจะเลี่ยงก็ให้ก็เขียนเองไม่ได้อเอาบินไห้ก็เอาคุเขียนหน่อย อันนี้คุณก็ผิดเองครับเพราะคุณก็บินนี้ก็บินนี้คุณก็ไม่เอาไปแจ้งภาษีเองใช่ไหมก็เป็นบินปลอมเองใช่ไหมก็เป็นบินปลอมเองคุณก็โกหกเองเวลาไปทัาแจ้งภาษีคุณก็ไม่ได้แจ้งตามความเป็นจริงเองมันก็ผิดด้วยกันทั้งทั้งคู่อย่างถ้าไม่ถ้าไม่ถือก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงขายเท่าไหร่ก็ว่าไปเท่านั้นเวลาไปจ่ายภาษีก็ต้องจ่ายตามความเป็นจริงว่าวันนี้เราขาย รายรับเราได้มาเท่าไหร่เดือนนี้ได้รับมาเท่าไหร่เราก็จ่ายไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็จะไม่ผิดศีลไม่โกงไม่ลักทรัพย์ไม่หลอกลวงไม่โกหกข้อที่สองความไม่ซื่อสัตย์ผิดศีลไหมครับก็โกงไงจะไม่ก็ไม่ซื่อสัตย์ก็คือโกหกนี่ก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเอาเงินของคนอื่น้ามา ไปขโมยเงินของเขามาก็ไม่ซื่อสัตย์ไม่สุดจริตก็ไม่ซื่อสัตย์ก็คือคำว่าสัตย์ก็คือสัจจะไงคือไม่พูดปดนซื่อสัตย์ก็คือการไม่พูดปดสุดจริตก็คือไม่โกงไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ให้มาคําถามจากคุณพรเทพคะ่ะในครัวบางครั้งมีหนูหรือแมลงสาบ คุณแม่สั่งให้ไปซื้อกับดักกาวมาดักหนูหรือแมลงสาบมาติดแล้วนําไปทิ้งผมมีส่วนรับผลกรรมไหมครับถ้าเราไปซื้อมาทั้งแม่ทั้งเราก็มีมีผล <c oughs> ทั้งทําเองก็ดีสั่งให้ก็ทําก็ดีก็บาปด้วยกันทั้งคู่ก็ซื้อแบบที่มันไม่ตายไม่มีเป็นกองดักมันแล้วก็เอาไปปล่อยไกลๆบ้านหน่อยจับมาแล้วก็ไปจับไปไปปล่อยตามทุ่งตามนาอะไร คำถามจากคุณสายทานค่ะหนูทุกทรมานใจกับเจ้ากรรมนายเวรมากค่ะเขาไม่ยอมหยุดทําร้ายหนูแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่และทําลายชื่อเสียงหนูหมดเขาพูดกับหนูว่าจะทําให้หนูไม่มีแผ่นดินยืนเจ้าค่ะหนูควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ยอมไปถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปถ้าก่อนเราเคยไปทําเข้ามาชาตนี้เข้าอะไรมาทําเราค่ะ ก็ยอมใช้หนี้ไปเดี๋ยวก็หมดเองหมดแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราต่อไปแล้วก็อย่าไปทำกรรมใหม่อย่าไปแก่นแก้งผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราทำเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่พอเข้ามาทำเราก็กลัวแต่เราไม่รู้ว่าการที่เราถูกเขาทำก็เพราะว่าเราไปทำเขาก่อนเราเราต้องมาถูกเขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกเขาทาก็ให้คิดว่าเป็นการใช้หนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็อย่าไปทำเขาอย่าไป ก่อเวรก่อกรรมใหม่เพราะเดี๋ยวไปก่อเวรก่อกรรมใหม่เดี๋ยวก็ต้องมาใช้กรรมใหม่อีกไม่มีวันจบสิ้นคำถามจากคุณน้อยเรื่องอัปปนาสมาธิข้อที่หนึ่งจะมีอาการกายหายเห็นจิต ด, ดวงเดียวอยู่ในที่ว่างหูก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะอ่าข้อที่สองเมื่อออกมาแล้วจิตเฉยเใช่ไหมคะก็เฉยได้คู่หนึ่งเหมือนน้าเย็นที่เราแช่ในตู้เย็น ถ้าแช่ไว้ใหม่ๆออกมามันก็เย็นแต่ท้อสักระยะหนึ่งพอไปเห็นหนู่นเห็นนี่เดี๋ยวมันโลบมันอยากขึ้นมามันก็หายเย็นถ้าอยากจะให้มันเย็นต่อก็ต้องใช้สติรักษาไว้พุทโธพุทโธไปหรือแม่นั้นก็ใช้ปัญญาเวลาเกิดความโลบความอยากที่เป็นความร้อนก็ตัดมันไปทำลายมันไปแล้วความเย็นของใจก็จะอยู่ต่อไปได้ข้อที่สมถึงจะเข้าไม่ได้อีกเวลานาน ความเป็นกลางนั้นก็ไม่หายใช่ไหมคะแต่นั่งสว่างทุกวันค่ะหายยังก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้จะไม่หายก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยประครับประครองรักษาหรือมีปัญญาคอยกำจัดตัวที่จะมาทำลายคือความโลภความโกรธต่างๆความอยากต่างๆคํ า, า, าคถามจากคุณธรรมะค่ะฝึกเห็นความไม่เที่ยงนี่ฝึกยังไงครับผมพอมองออกแต่ตอนที่เหตุการณ์มันจบลงไปแล้วครับ ก็ดูสิ่งต่างๆเช่นผมของเราเนี่มันเที่ยงไหมเนะี่ยดูผมของพระก็ได้เดี๋ยววันพระก็โกนหมดหัวเลยแล้วเนี่ยหลังนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไม่เหมือนเดิมคำว่าไม่เที่ยงก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงดูร่างกายของเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงต่อไปอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นการดูความไม่เที่ยงทุกสิ่งนุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ที่เราซื้อมาวันนี้ใหม่เอี่ยมอีกห้าปีกลายเป็นรถเก่าไปแล้วนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเสื้อผ้าที่เราซื้อมาใส่เวลาซื้อมาใหม่ๆสวยสดลดงามใช้ไปซักไปสีจางไปเริ่มขาดตรงนั้นขาดตรงนี้อันนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแล้วออยู่กับคนนั้นอยู่คนนี้เดี๋ยวตายไปอ่ะนี่ก็ไม่เที่ยงอีกแล้ว นี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆเรียกว่าไม่เที่ยงคำถามจากคุณบงกฎระหว่างนั่งสมาธิหรือฟังธรรมไปจิตดิ่งลงจนดับนิ่งไปไม่รู้สึกสงสัยว่าอาการนี้เป็นอาการหลับหรือเป็นสมาธิมีหลักสังเกตได้อย่างไรครับถ้ารู้สึกก็กเป็นสมาธิถ้าไม่รู้สึกก็หลับถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนเรานั่งตรงนี้แล้วไฟดับอเงี้ย เราก็รู้ว่าไฟดับใช่ไหมแต่เราไม่ได้ดับเราไม่ได้หลับไปกับไฟใช่แต่ถ้าเราหลับแล้วไฟดับเราก็ไม่รู้ว่ามันดับหรือไม่ดับค่ถาถผังจากคุณโกศลถ้าพ้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือว่าอาบัตใหม่ครับถ้าเราแจ้งตำรวจจะบาปไหมครับก็มันก็ผิดกฎหมายมันก็บาปแล้วละเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามทางทางศีลทางวินัยของพระแต่ กฎหมายของทางบ้านเมืองก็ถือว่ามันผิดกฎหมายและเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ประพฤติตนที่ดีงามก็ไม่ควรที่จะไปมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจจะไม่ผิดทางพระวินยัยแต่ผิดทางกฎหมายเขาจับไปเข้าคุกเข้ า, ขาตารางได้เหมือนกันคำถามจากคุณสิรินันค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีสร้างบุญบรารมี สำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศค่ะหนูอยู่ต่างประเทศมานานและหลายครั้งก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจและเสียดายที่อยู่ไกลวัดไกลครูบาอาจารย์ตอนนี้สวดมนต์ไหว้พระทําทานและกําลังหัดนั่งสมาธิค่ะก็นี่แหละก็ถือว่างไงวิธีเจริญบุญบรารมีกันเนี่ยทำทานจะเอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้เวลามีโอกาสไปวัดก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้ไปทําบุญ แต่ยาวไปใช่อย่างอื่นนะใส่ก็ปลูกแล้วต้องถือว่าเป็นเงินําบุญนะแล้วเวลาไปวัดเราจะได้มีเงินไปทําบุญหรือว่าถ้าเราไม่ไปวัดเราโอนเงินไปได้เราก็โอนเงินไปให้วัดก็ได้ถ้าไม่มีวัดเราทํากับสถาบันอื่นก็ได้ทํากับโรงพยาบาลทํากับโรงเรียนทํากับคนยากไร้ทํากับคนพิการทํากับคนชราทํากับพ่อกับแม่เราก็ได้พ่อแม่เราก็เป็นพระอรหันต์ของเรา ยังดูพ่อแม่เราก็ทด้เราก็ได้ทําบุญแล้วส่วนศีลเราก็รักษาไปศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่ที่กายวาจาใจของเราเช่นวันนี้เราไม่ได้มาวัดเราก็รักษาศีลห้าศีลแปได้เพียงแต่เราต้องรู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้างเท่านั้นเองพอเรารู้แล้วเราก็รักษามันไปเราก็ได้บุญแล้วฟังเทศฟังธรรมนี้เราก็ได้บุญแล้วนั่งสมาธิเราก็ได้บุญแล้วเอาท่า เอาปัญญามาตัดกิเลสมาละความโลภความโกรธความหลงได้ก็ได้บุญละเราสามารถสร้างบุญได้ทุกแห่งทุกคนไม่ต้องอยู่ใกล้วัดเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้ธรรมะเท่านั้นเองต้องมีธรรมะเป็นผู้คอยสอนคอยบอกเราซึ่งเดี๋ยวนี้ธรรมะก็ามาถึงบ้านเราละเข้ามาในมือถือเราละเปิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเลยมีอยู่ตลอด24ชั่วโมง ถ้านัสมาธิจิตไม่สงบสามารถเกิดปิติได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเกิดได้ปิติมันเกิดได้หลายอย่างเนี่ยบางทีได้เงินมามันก็ปิติแล้วนะเวลาคนเข้ามาช่วยเหลือเราเราเดือดร้อนแล้วเข้ามาช่วยเหลือเราล้วก็เกิดปิติน้ําตาไหลออกมาได้เหมือนกันันะ้นปิตินี้มันเกิดได้หลายทางทางเวลาจิตสงบก็ปิติเหมือนกันเวลาได้รับความสุขจาก เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดความเพิ่มปิติขึ้นมาน้ําตาก็ไหลออกมาได้ดังั้นปิตินี้มันมาได้หลายทางไม่ต้องมาจากทางความสงบเพียงอย่างเดียวคําถามจากคุณน้องนางทําอย่างไรเราจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ตอนนี้เศร้ามากจนอยากฆ่าตัวตายค่ะก็ต้องล้นละความอยากลงการจะล้นละความอยากได้ในเบื้องต้นก็ต้องหยุดความคิดเพราะความคิดจะทําให้เราอยาก ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราอยากเราก็จะหยุดความอยากไว้ได้ชั่วคราวดะงนั้นพยายามหยุดความคิดด้วยการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปถ้าอยากจะฆ่าตัวตายก็สวดมนต์ไปขอให้ฆ่าตัวตายด้วยการสวดมนต์กาลัางกันเป็นขอฆ่าตัวตายด้วยการวิธีสวดมนต์จะสวดไปยังกระทั่งมันหมดลมหายใจรับรองได้ว่าจะไม่ตาย ใจก็จะสงบใจแล้วจะจะไม่คิดอยากจะฆ่าตัวตายต่อไปหมดแล้วยังเอ้คำถามหนึ่งแล้วกันคำถามจากคุณสุริโยค่ะสภาพแวดล้อมและผู้คนายร้อมมีผลต่อการปฏิบัติธรรมไหมครับเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจนบางครั้งเมื่อสติเผลออาจทำให้ทำผิดทั้งทางกายวาจาใจเมื่อเป็นอย่างนี้ควรทาอย่างไรดีครับก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนสภาพหนีไปอยู่วัดหนีไปอยู่ในสภาพที่เขาไม่ได้ทำบาป ก, กันเพราะว่าถ้าไปอยู่กับสถานที่ที่เขาขัดกับการกระทำของเรามันก็ทำให้การกระทำของเรานี้ทำยากแต่ถ้าเราไปอยู่ในฐาน ท, ที่ทุกคนทำเหมือนกันมันก็จะทำให้ทำง่ายเหมือนกับเวลาที่เราแข่งขันฟุตบอลเนี่ยถ้าเราแข่งที่บ้านเรานี่คนมีแต่เชียร์เรา คนเล่นก็มีกําลังใจเยอะแต่ถ้าไปแข่งกับทีมอื่นไปอยู่บ้านเขานี่เขาไม่เชียร์เรามีแต่เชียร์ทีมของเขาเราก็จะไม่มีกําลังใจที่จะสู้อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกับกองเชียร์นี่เองถ้ามีกองเชียร์ดีมันก็ทําให้เรามีกําลังใจฮึดสู้แต่ถ้ามีแต่มีแต่กองต้านมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะกระทําที่จะปฏิบัติ ขอให้เราเลือกหาสิ่งแวดล้อมที่ดีพระเจ้าบอกถ้าอยากจะบําเพ็ญต้องไปอยู่ที่เงียบๆดีที่สุดไปหาที่สงบแล้วจะไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเราเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด